โลพะจิตเกิดมากก็เวทนาหยาบรองลงมาโมหาจิตก็เวทนาหยาบใช่ไหมทีหน้ามิท่าก็เวทนาหยาบเนี่ยนียก็ให้คิดเงี้ยแล้วก็กุศลเวทนาเนี่ยไม่ค่อยได้เลยแม้เวทนากุศล น, นั่นก็ไปแยก เ, ยเป็นตามเราเองเีอะเป็นทานนกุศลศีลกุศลภาวนากุศลฟังธรรมนี่เป็นกุศลเประเภทไหนเป็นเป็นกุศลประเภทไหนเอาฟังธรรมเนี่ย เ, เ, เ, เป็นภาวนากุศล ทีนี้ในภาวนากุศลที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นหมากุศโโสมนัสหรือเป็นหมากุศลเบขาเห็นไหมก็มีความต่างกันอีกแล้วจริงไหมเนี่ยทีนี้ในขณะที่ฟังพระธรรมเนี่ยแล้วแต่ใครจะกลั่นกรองเป็นอสังขาริกหรือสังขารฤกสภาพของเวทนาละเอียดหรือหยาบ ก, ก็ต่างกันออกไปยิ่งเป็นแบบนี้ทีนี้ในกรณีแห่งเราท่านทั้งหลายที่กําลังทำกรรมที่เป็นใบกัสมนัสเวทนาเป็นต้นเนี่ยได้กุศลกรรมไอเจตนากรรมมันได้ไม่เท่ากันนะ เพราะกรรมนั้นเป็นสภาพ้าที่ขวนขวายใช่ไหมจัดแจงเป็นพีชาหนิธานใกิจเป็นตัวการเพรา ะ, มะเมล็ดพันธ์แปลว่าเราจะเพาะระดับไหนเนี่ยระดับฟังธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเรามาเจริญเวทนาทุปัสนานี่เป็นการเจริญสติปัฏฐานเลยเราฟังธรรมนี่เป็นสติปัฏฐานเลยใช่ไหมแปลว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเพาะลงในกระแสขันเนี่ยต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ระดับสูงไว้เนี่ยระดับสูงต้องพื้นที่อะ สังเกตดูที่ยอมสมานสังเกตพื้นดีดีตอนนี้ป่าชัดมันยังเต็มไปหมดไหมหนาผืนเนี้ยอะไรมันจะลงได้ยังไงแต่เนี้ยมันจะปลูกมเมล็ดพันธุ์ของภาวนาลงได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ที่ทำไงดีอ่ะถามใหม่ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วให้ไปถางก็มาทําได้แค่เนี้ยถ้ามีหมอทำอะไรอยู่ไม่ยอมถางกันเลยอ่ะนอกจะไปปลูก ภาวนากุศลลงได้ไหมในกระแสะขันเนี่ยตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กลับไปถามก็ต้งบอกว่าระดับศีลก็มีปัญหานเนี่ยเนี่ยดูแลจริงไหมมานะระดับศีลมีปัญหาเลยอะระดับศีลมีปัญหายัางไงเจตนาศีล น, น่ะเจตนาที่ธรรมชาติที่จัดแจงก็ข้อเจตนานี่ก็จัดแจงแล้วจัดแจงผัสสะ จัดแจงเวทน า, าจัดแจงสัญญาจัดแจงสังขารจัดแจงวิญญาณที่เกิดร่วมกันกับต น, นให้ทําหน้าที่ของตนของตนไอ้ที่ว่าแปลกั น, นงี้เนี่ยทายังไงพันสาเนี่ยก็จะทําหน้าที่กระทบอารมณ์ได้ก็เพราะใครเป็นตัวจัดแจงเจตนานะ่ยจัดแจงเวทนาจะทํากิจในการเสวยรสของอารมณ์ได้ใครจัดแจงเห็นไหมสัญญาจะทํากิจในการจําอารมณ์ได้ใครจัดแจงเนี่ยก็ไรไปสิ สังขารจะเป็นธรรมชาติที่ปัญญาเนี่ยจะทํากิจในการรู้ตามความเป็นจริงได้คล้าจัแจงทีน้ํามิทะจะทําให้การง่วงเด็ดชัดเจนได้คล้ายจัแจง <c oughs> เจนนะบาปมันก็มีนะเจตนาบุญก็มีนะ <c oughs> เขาะ้าใจยังเนี่ยเจตนานี่มันจัดแจง <c oughs> ไอ้ตัววิญญาณที่จะรู้อารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ได้คล้าจัดแจง <c oughs> เห็นไหมการเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาแล้วแต่เราจะเพาะกุศลลงสู่กระแสขันหรือเพาะอากุศลเจตนาก็ต้องไปดูดูนั้น ไอ้ตอนนี้มานั่งศึกษาพระธรรมเนี่ยเราจะมาจัดแจงกุศลเรื่องกุศลกุศลอ๋อก็ตามใจจัดแจงหน่อยถ้าอยา่าง น, นั้นน่ะนี่ไม่ตั้งใจเลยใช่ไห้ทำไม่ตั้งใจจัดแจงแล้วยุ่งเละเดี๋ยวนี้ก็มากลับไปก็เดี๋ยวเราวันนี้ฉันไปฟังธรรมานะเอาบุญมาฝากพอกกัสาธุอย่างนี้ <laughs> เขาไม่รู้ะนะ <laughs> <ๆ S 1> เข้าใจการจัดแจงเนี่ย <laughs> ถ้าจัดแจงเป็นศีลได้ไหมจัดแจงเป็น เป็นภาวนาก็ได้ทีนี้ประมาณของปริมาณของการจัดแจงในตอนเนี้แปลว่ากายกรรมวิจีกรรมไม่ถูกเจตนาจัดถ้าเจเจตนาเขาจัดแจงนามรรมใช่ไหมถ้าจัดแจงนามารำ ม, มีผัสสะมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ตัววิ ญ, ญญาณเป็นต้นให้เป็นไปในการที่จะ ง, งดเว้นจากบาปประทมมันตามไม่เป็นไปไม่ให้ให ไ, มใหใหไม่ให้กายทุจริญหรือรั้วจีทุจริญเป็นต้นเป็นไปในกระแสกัน เจตนาเหล่านั้นเขาเรียกเจตนาศีลตัวนี้เขาจัดแจงก็คือเกิดเกิดความตั้งใจเข้าใจใช่ไหมเคยไม่เคยตั้งใจเต็มที่ว่าจะรักาาศีลไหมนั่นแหละเจตนาศีลมีกําลังวิเศษยิ่งกว่าเจตสิกศีลแต่บางทีเจตนาไม่แรงหรอกแต่ปัญญาแรงทำกิจแรงวิจัยพิจารณาเห็นโทษสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนใช่ไหม เงินทองรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราหรอไม่แต่เจตนาต่อสุจริตกรรมคือกุศลศีลเนี่ยสําคัญที่สุดเลยใช่ไหมสําคัญกว่าทรัพย์สมบัติฉะนั้นการที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆแม้จะสูญเสียชีวิตไปไม่เสียดายเท่ากับสูญเสียศีลแต่สูญเสียศีลเนี่ยชีวิตของเราวิบัตินี้ เพราะเจตนากรรมที่เป็นไปในกุศลศีลนั้นจะตามเราในทุกวอกทุกชาติพอเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แปลว่าเป็นไปในลักษณะที่ว่าทํากุศลศีลให้เดินในกระแสะขันได้อย่างชัดเจนเข้าใจใช่ไหมถึงเนี้ยก็ปเปลี่ยนไปลักษณะนี้มองออกไห้ยอดสมานมองเห็นเอ๊ะถ้าพูดกันแบบตรงๆว่าศีลกับชีวิตเนี่ยจริงๆเนี่ยยอมมงคนว่านี่ส่วนลึกของหัวใจเนี่ยยังคิดว่าอะไรควรรักษาก่อนทิ้งอื่นถ้ามีจอค อ, อหอยก็ให้เรโกหกสักคำเนี่ย เราจะเาชีวิตไว้หรือเอาศีลไว้คะศีลปืนจอน่าผาขอไปบอกโอ้เนี่ยอยากจะดูแย่งคนมีศีลนะขอหน่อยคุณเจ้าศีลไม่เจ้าชีวิตถ้าตรงนี้เนี่ยนะเป็นเป็นอกคิดเลยนะจริงไหมโยมสมานว่าว่าจริงๆแล้วเรามีความลึกซึ้งในกุศลศีล ที่เป็นอริยศัพ์เพียงแค่แค่ไหนอย่างไรถ้าเราคิดมุมนี้ออกและเข้าใจความความจริงของตรงนี้จริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคําสอนของพระบ ร, รมศาสดาเนี่ยสาคัญแค่ไหนแต่ที่ไอม า, ามาพยายามมานําเสนอมาอะไรต่างๆต้องการต้องการอยากจะชี้ว่าจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ ใ, นใจเรามันเบาเลยบากคนเบาเราไข้ควาในเรื่องนี้น้อยมากจริงั้ม ใครควรคิดจนไม่เห็นประโยชน์ของของของศีลเนี่ยนะแต่เห็นว่าการมีการมีอยู่ของชีวิตเท่านั้นดีคือจะอยู่อย่างความทุศีลก็อยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆก็อยู่ทั้งๆที่ชีวิตเหมือนตายแล้วจริงๆตายแล้วเฮียโยมเนาะชีวิตของคนทุศีลเนี่ยนะคือตายไปแล้วคือตายไปแล้วคือถ้าจุดติจิตเกิดก็ไม่ต้องพูดแล้วจริงไหมแต่มันไม่เห็นไงด้วยการคิดน้อยใครครวญน้อยวิจัยน้อย ไอ้ตรงนี้ก็ไปพิจารณาก็จะเห็นในรายละเอยียดตรงนั้นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอประเภทแห่งอัยิยะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของเวทนาของบุคคลผู้ได้สมาบัตและไม่ได้สมาบัตเนี่ยนะอันนั้นท่านก็ท่านก็พูดไปตามระดับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นก็เลยเอวิตกเห็นไหมถ้าวิตกเนะี่ยในปฐมฌานยังมีวิโตวิจาร์อยู่ยย ก, ยยก็จัดว่าหยาบถ้าไปเทียบกับทุติยฌานทุติยฌานก็จัดว่าหยาบถ้าไปเทียบกับตติยฌาน ตาเทชาญก็ยหยาบไปเทียบกับจตุเชาญก็ไล่ไปตามลำดับแม้อากาสายนันจายนาก็หยาบถ้าเทียบกับวิญญาวิญญาก็หยาบถ้าเทียบกับอากินอากินยันยายะตนาก็หยาบถ้าเทียวกับเนวะเงี้ยก็ไล่ไปอย่างนี้นะเข้าใจอย่างไรเวทนาก็จะมีสภาพความหยาบความละเอียดเป็นไปตามลำดับอย่างนี้แม้สภาพที่เป็นกุมหากุศลนี่แหละหรืออกุศลนี่แหละก็มีสภาพของความหยาบแล้วก็ความละเอียดนั้นต่างกันอย่างนี้เนาะนี่เข้าใจแล้วนะ คำเราใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ปราณีกว่าแม้โสมนาทั้งสองนั้นโสมนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ปราณีกว่าด้วยคำนี้เป็นกา น, นท่านกล่าวถึงกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอรหัตผลของสองท่านอย่างไรได้ยินว่าภิกษุรูปหนึ่งเริ่มตั้งวิปัสสนาโสมนาที่ยังมีวิตกมีวิจารเนาะแล้วก็มาใคร้อวรว่าโสมนาที่นีอาศัยอะไรแปลว่าตรงนี้ท่านแต่ปฐมฌานเนี่ได้แล้วนะเนี่ย เพราะที่ยังมีวิตกมีวิญญาณไงได้ปฐมฌานไงเออเวลาท่าน อ, อได้ฌานนี่นพ่อพูดถึงเรื่องเวทนาตรงนี้เนียที่จริงต้อง ถ, ถ้าใครได้ศึกษาในในอนาปานาสติสูตรในอุปริปรนาถท่านจะพูดถึงในเรื่องของการปฐรมฌานที่พูดถึงในเรื่องของปีเตียพูดถึงปีติเป็ตนต้นเนี่ยแล้วก็พูดถึงกายยสังขารแล้วก็พูดจิตยะสังขารใช่ไหม พูถึงปีติในขณนะนั้นก็แปลว่าในปฐมฌานเป็นต้นท่านพูดถึงปีตินั่นแหละแต่เน้นหนึ่งตัวเวทนากันเพราะปีตินั้นเป็นธรรมที่สัมพยุดกับเวทนาเพราะปีตินั้นประกอบกับสมนัสเวทนานั่นแหละถ้าหากมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดว่าในปีติในปฐมฌานนะมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขแล้วก็เอกคตา5ตัวเนี่ยนะตอนนั้นท่านไปพิจารณาอะไรตัวเวทนาที่ยังมีวิตกมีวิจารณแปลว่าท่านได้ปฐมฌาน แต่ก่อนจะได้ปฐมฌานแปลว่าท่านจะต้องผ่านจากการเจริญปฐมฌานเป็นต้นเพื่อจะทําปฐมฌานเป็นต้นให้เกิดขึ้นท่านทํำยังไงอ่ะถึงมาเกิดแปลว่าท่านเดินสายอะไรมาก็ได้จะได้ที่ได้อาจจะเดินเกี่ยวกับเรื่องของปฐวีกสินเตโช ว, วายโยกสินเป็นต้นก็ได้หรือเจรินอาณาบารณสติกันถามว่าท่านเดินมาสายอาณาปรรณสติได้ไหมได้ไม่ได้ไ ด, ได้ปฐมฌานได้ไหมไนี่ก็ปแปลว่าสมมติว่าท่านเดินอาณาบรรณ ครั้งแรกจริงๆเนี่ยท่านเดินอะไรท่านเดินอานาปะนะอานาปะนะอยู่ในบาปไหนโยมสมานกายานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ไหมอานาปะนะบาป ด, ด้วยท่านก็ใครควรพิจารณาดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพิจารณาตรงไหนต้องจุดกระทบใช่ไหมนาสิก น, นิมิตหรือโมคานิมิตที่ปลายจมูกหรือที่ริมปีปากก็กำหนดใครควรพิจารณาไปจนยังปฏิภาคนิมิตให้เกิดขึ้น จากอุปยาและสมาธิเมื่อท่านได้นี ม, ษษมิจเรเสร็จมีสำนักเดีก็บอกว่าทีา่พระท่านที่มาอยู่ด้วยมหาคามไงท่านก็เล่าให้ให้ญาณฟังเามื่อวานยท่านบอกไปอยู่พ่อมาแล้วที่ น, นี้ที่กำลังจะไปเอาตําราท่าน ท, ที่ท่านชื่อผาเอาผาเอาสยาดองถ้าชื่อเป็ น, น, นอัไรียกปูอาจินะอูอาจินะท่านอยู่รัฐมอนท่านก็ท่านก็ ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยหลังจบเรียนจบแล้วเนี่ยนะไปอยู่ในป่า30มสบปีแล้วเขียนตำราแล้วท่านก็เป็นการปฏิบัตในย่าอย่างที่พวกเราเรียนกันเขาเรีย ก, ยกวิปัสสนาตามตามปริยัติคือเอาปริยัติที่เรียนมาใครค่ครวญทีนี้เวลาท่านจะเนี่ยท่านก็จะสอนก็ทํำสลาโลง่ลงๆเข้าไปก็ห้นั่งก็มาถามได้ก็สอนทุกคนนั่งนิ่งๆกันนี่ย นั่งวันละแปดชั่วโมงบางคนอาจจะนั่นแล้วก็ลุกหน่อยแต่ท่านจะไม่ค่อยสอนให้นั่งไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกสายอาณาไป น, นัถ้าใครได้ลิมิตเบ็ดเสร็จท่านจะแยกห้องไปอาจารย์แบบแยกห้องอยู่ท่างหากถ้าใครยังไม่ได้ก็ให้นั่งทำให้นั่นแหละให้ลิมิตเกิดแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็น่าสนใจคือถ้าได้นิมิตแปลว่าเขียนิมิตใช่ไหมแล้วแต่นิมิตของคนก็แล้วแต่สภาพของเส้นยาใครก็มีเหมือนกันจะเป็นสีเป็นลุงกินนะ้าเหมือนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ เหมือนควานข้าเหมือนควานฝะเร่งต่างก็แล้วแต่พอได้นิมิตเ็ดสร็จก็นี่ได้นิมิตก็จะไม่ให้ในหมู่อยู่ในหมู่แล้วเพราะจะต้องรักษาถ้าได้นิมิตแล้วเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับว่าราชราชกุ ม, มารที่รู้ว่าตนเองนั้นจะต้องได้เป็นพระเจ้าเป็นดินหรือพระเจ้าจักรพรรดิต้องรักษาตัวไหม ต, ต้องรักษาตัวต้องคุ้มกันอย่างดีเลยอ่ะนี่ก็เหมือนกันกรณีที่ได้นิมิตจากการเจริานานานบนานสติแล้วต้องแยกตัวไหม แยกเนี่ยตรงเนี้ยได้ปฏิภาคอนิมิตเบ็สเสร็จแล้วก็ไปทิ้งลงหมายใจแล้วก็ดูปฏิภาคอนิมิตจนปฐมฌานเกิดขึ้นแปลว่าได้แล้วนะพอได้ปฐมฌานนี่แหละก็เอาปฐมฌานนี่แหละเป็นบาสนี่ไงในเนี่ยงงนน แ, ลแล้วก็มาวิจัยเลยวิจัยยังไงวิจัยตัวโสมนัสโสมนัสไี่เป็นเวทนาขันยังไง เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยตัวโสมนัสเวทนาเป็นเวทนาขันที่อยู่ในปฐมฌานที่อยู่ในปฐมฌานนั่นแหละมาวิจัยแท้จริงดูเฉพาะโสมนัสอย่างเดียวไหมดูธรรมที่ประกอบกับโสมนัสด้วยไหมดูธรรมที่ประกอบกับโสมนัสด้วยทีนี้ดูธรรมที่ประกอบกับโสมนัสเบ็ดเสร็จแล้วก็ดูปัจจัยของโสมนัสโสมนัสอาศัยวัตถุก็อาจะยวัตถุอยู่มอาจจะแยวัตถุก็กกตั้งอยู่บนมหมาพูดที่เกิดจาก เกิดจากอะไราาเกิดจากกรรมแล้วเราไปเข้าใจหมหาพุทธรูปที่เกิดจากจิตตัตัวแรหานสรุปก็คือเข้าใจการจักรกายทั้งสิ้นลักษณะอย่างนี้เริ่มเข้าใจนามในรูปแล้วเห็นไหมนี่มาสายมาสายของอานาปะนะการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกพิจารณาอย่างนี้มาอยู่ในหมวดของเวทา น, านุปัสสนาเดินทีแรกจริงๆเป็นกายานุปัสสนา แต่พอมาเดินมาไข้ควรได้ปฐมฌานเบียเศแล้วมาพิจารณาปีติมาพิจารณาเวทนามาพิจารณาสัญญาและเวทนาที่เป็นจิตตสังขารเป็นต้นก็เลยมาอยู่ในหมวดของเวทนาในที่นี้พูดถึงเวทายางไงต้องไปเชื่อมโยงตรงนู้นไปเชื่อมโยงในอาณาปนานสติสูตรในอุปริปนาฏนู่นนีเข้าใจขยงสมัยโหศึกษายากไหมเ น, นี่ยในจตตกาแรก เ, เป็นกายานุปัสสนาในจตุกาที่สองเป็น เวทนานุปัสนาจตุการที่สาเป็นจิตานุปัสนาจตุการที่สี่ก็เป็นธรรมานุปัสนาท่านก็เลยแยกว่าเมื่อเจริญอาณาปานาสติบริบูรณ์แล้วสติปฐานสี่ก็บริบูรณ์เมื่อสติปฐานสี่บริบูรณ์แล้วโพชฌงเจ็ดก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงเจ็บริบูรณ์แล้วอริมาร์หรือวิชาและ ว, วิมุติก็บริบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้รู้ฟังเข้าใจก็บอกมิยังไงมาขัดเกลาตัวเองไปก่อนก็แล้วกันเนาะ เอาม า, มาอำนาฟังทันนะฟังทันนะเอาม า, าอำนาจฟังทำทันอย่างเดียวก็พอแล้วคือตรงนี้ก็อย่างนี้แล้วก็เห็นไหมท่านพิจารณาเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ที่จริงในเนี้ยท่านแล้วก็ทำทั้งหลายเห็นไหมแล้วก็ตั้งอยู่ในอัตผลโดยลําดับตามในที่กล่าวตามทั้งหลายมีภาษาเป็นที่ห้าอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยท่านวิจัยจะละเอียดเป็นไปตามลําดับจนถึงนามรูปปริเฉทยานปัจจะยะปริกหา ย, ยานสัมมสุญญานเป็นต้น อุทยาพยาธิอนเป็นต้นไปตามดับในส่วนจริงก็มรกขยานโบราณ4รอบจะเป็นเถึงอาราธนผลนะ่ะท่านก็เลยเย่อๆไว้ไอเราก็เลยอ่านย่อๆกันมาเยนทุกวันนี้ไอตรงเนี้ยเวลาจะเชื่อมโยงในการขยายในการเจริญสมะถะต่อวิปัสสนาจะทํำยังไงตรงเนี้ยในญ่าตรงนี้ยโอ้โหต้องเอามาพูดยาวเลยตรงเนี้ยก็ไปดึงวิสุทธิมรรมาก็ไล่ไปตามลําดับเลยตรนี้อย่างพวกเราก็ไล่ไป ม, มากๆหลับไปแล้ว ไ, ไปคนละบเลือกกันเลยตรงเนี้ยขา่อยังตรงเนี้ย เวลาศึกษาคาสอนก็ศึกษาแบบนี้แม้เวลาไล่ไปตามลำดับอย่ามองค์กรเข้าใจไม่ไตรงนี้นี่นะจะเป็นไปลักษณะนี้ตรงนี้ท่านย่อไว้นะในหน้าที่ยี่หกเนี่ยย่อไว้หน้ายี่หกเนี่ยย่อไว้นิดเดียวเห็นไหมนะเขียนย่อไว้แค่นั้นนะพิสูรรูปหนึ่งเริ่มตั้งวิปัสสนาดโดยสมณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์แล้วก็ตั้งอยู่ในหัดแตผ่ผมที่มาย่อเยอะเลยเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเอาทุติยชานเป็นต้นมาวิจารณาอาเวทนาในทุติยชานเวทนาในตัติยชานเวทนาในจตุติชาน เอาเวทนาที่ในอาการสารนัญญาเยตนาวิญญาณนัญญาเยตนะและ้วก็อากินจัญญาเยตนะนี่เป็นอย่างนี้แต่มากเหมวานี่หลายๆคนอืนเหมือเอาโมพิจรารณาคป็นกลางละเอียดแลกันอย่างเราเนี่ยไม่ได้สักตัวเลย เ, ย เ, น, เนี่ยเวทนาในปฐมชาติพิจรณาได้ไหมเรานี่ตอนนี้ได้ไหมยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ปฐมชาตเลยใช่ไหมคิดว่าชาตินี้พอจะได้กับเขาบอกไว้นี่ ฮะต้องเพียนดูเนาะย้อนสมัยต้องตั้งหลักดูมั้ยียังไงยังไงได้ปฐมยาณแกเขาสมอยก็ยังดีใช่ไหมเอามาเล่ากระตุกกันฟังบ้างมั้ยย้สักอาทิตย์หนึ่งทันไหมกลับไปก็ปิดห้องเขียนบอกว่าให้ใครส่งอาหารให้วันละมื้อเลยลองดูที่ไม่ให้เขารบกวนไม่ทีว่างๆลองทำได้ไหมลองดูดีแต่เอาปฐมญาณจริงๆนะ ไม่เอาโลภะเนี่ยแล ไ, ไ, ไ, ไปไปเข้าใจเป็นวิมปมะจารมูตรงนี้ก็คือสมณัตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็ประณีตกว่านี่เป็นเป็นจุดขยายแล้วเป็นจุดขยายแล้วแต่ให้สมณัตในผลสมาบัติก็สมณัติในวิปัสสนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจา ร, รณ์ประณีตกว่าสมณัตในวิปัสสนาที่มีวิตกวิจารณตรงนี้ยังไงอ่ะคืออย่างนี้คนได้ทุติยฌ า, านแล้วมาเจริญวิปัสสนา คนได้ปฐมฌานแล้วเจริญวิปัสนาวิปัสนาสองท่านนี้ต่างกันไหมเห็นไหมอย่างเราเนี่ยได้กามาจิตแล้วก็มาเจริญวิปัสนาสามบุคคลต่างกันคนละโลกเลยใช่ไหมอย่างเราเจริญเวทนานุปัสนาได้ไหมเนี่ยตอนนี้ได้แต่อุปสรรคเยอะไหมเยอะอะไรคืออุปสรรคถ้าตอนนี้เลยอะไรเป็นอุปสรรคที่น้ำอิทะนมิวอนใช่ไหม ตอนนี้มันซึมกันอยู่เนี่ยนะซึมแรงเมื่อคืนปฏิบัติกันดึกรึเปล่าสงสัยปฏิบัติกันดึกอาจจะพระพระท่านถ้าพระซึมๆนี่รู้เลยนะท่านตอนคืนท่านปฏิบัติบางทีปวดจะท่านจะนอนดีเด้อบางทีเอามาเดินเดินไปดูท่านยังเดินรอบเนนพูว์บางทีนีถึงห้าทุ่มก็ยังไม่นอนเลยหนึ่งดีบางบางท่านกันหว่าท่านไม่ก็อยากจะนอน เพรอะไรเวลาที่เราจะได้เจริญกุศลเนี่ยรู้สึกเหลือ น, น้อยลงทุกทีทุกทีใครเคยคิดแบบ่องนี้ไหมเคยไหมว่าเวลาแห่งการเจริญกุศลเนี่ยตอนเนี้ยมัดจุมานที่ที่ที่จะมาถึงก็กําหนดไม่ได้ใช่ไหมขันธมารก็ไม่รู้จะแปรปวนเมื่อไหร่กิเลสสมานก็คอยลบเล้าตลอดใช่ไหมเทปุถุมารหรือก็คอยจ้องเล่นงานตลอดเนี่ย เ, ยเราก็มีมารคอยขัดขวางตลอด วันวหนึ่งจริงๆที่จะได้เริญกุศลในนิดในนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองี่จะทําเวลาเวลาไหนมีสติสัมปชัญญะแล้วเลิกอะไรได้แล้วยังจะมัมเสียหายเลยกับการไม่ได้กุศลโอ้คิดเงี้ยรีบตื่นเต้นอยู่เลยเขาคิดเขาอย่างนี้นะงั้นทุกคนทุกท่านทุกท่านก็เร่งกันกว่าไม่มีใครช่วยเราได้นะไม่มีหรอกบอกกล่าวกันได้เป็นกัญยาณนิดเป็นได้แก่ได้ชื่อพะเชื่อพรอเดินกลับไปแล้วก็คนละทางกันแล้วจริงไหมแม้ก่อลูกกับสามีกับ ภรรยากับพ่อแม่พี่น้องก็บอกบอกกันได้เพื่อขยันทําก็ได้แค่นั้นแหละถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ทําจริงไหมก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องกันแป๊บๆแป๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วต่างคนก็ต่างไปแล้วก็ายหน้าคนละคนละทางเนี่ยชีวิตเป็นไปลักษณะอย่างเนี้ยฉะนั้นสมณัตในการสมณัตที่ไม่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญปัญนาเนียสมณัตในวิปัสสนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณกับสมณัต เวทนาที่มีวิตกมีวิจารณยังเราก็จัดอยู่ใหมีวิตกมีวิจารใ์ในการกจริตล้วก็เป็นโสมนัสที่อยาวมากเวทนาวิปัสสนาถ้ากลุ่มผลพระสมาบัตินะี่ยที่ไม่มีไม่มีวิตกไม่มีวิจารก็ก็แปลนีนะ่ไงพระสมมาบัติเนี่ ม, มีมีทุกปฐมฌานไ้ยวิตากาวิจารปีติสุขะเอ ก, กคตาใสตังปัธรมาชานะโสตาปฏิภราจิตตังใช่ไหมนั่นแหละ ผลและจิตที่มีวิตกมีวิจารณ์ก็หยาบกว่าผลและจิตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณก็ไล่ไปตามลําดับอย่างเงี้ยอันนั้นหมายถึงตัวท่านต้องการให้เราเข้าไปไล่ตามลําดับตั้งแต่โรกิยาแล้วก็โลกุตระนั่นเองที่จริงนะพูดถึงในเรื่องความละเอียดความประณีดความหยาบและความประณีตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรในรายละเอียดแต่เพียงว่าทำไมท่านต้องการแจกไปจนถึงโลกุตระ ทั้งๆ ท, ที่โรอุตราไม่ได้เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานต้องการให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเบ็เสร็จแล้วเนี่ยนะเวลาจาักทพาพระราชมาบัตรให้เกิดขึ้นจะได้เลือกว่าเราจะเอาพระสามาบัตรประเภทมีวิตกวิจารหรือไม่มีวิตกกวิวิจารอา้าถ้าจะได้พระราชมาบัตรเอาอะไรไม่มีวิตร ก, ก, ก็ขอให้ได้ก่อนเถอะมีวิตรมีวิจารณ์ก็ขอใได้เหอนเดิมใช่ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้สักาะเราจะมาบดเลยไมเอาสูงเลแต่ก็นั่นแหละเพราะช่ไงถ้าให้เลือกใช่ไหมเราก็เอาเอาทุติยาชานเป็นต้นอยู่แต่ตอนนี้เลือกเอามีวิถกพิวิชานเพราะมันยังไม่มีเลยนะตรงเนี้ยท่านที่จริงในกรณีที่ท่านสอนแนะนําอย่างนี้ก็คือต้องการให้เรานั้นต้องฝึกได้ฝึกวิจัยให้เข้าใจเอาต่อไปโทมานะ โทมนัสที่ไม่ควรเสพเคหะสิตานี่นะก็คําว่าไม่พึงเสพโทมนทัสเห็ยนปานนั้นไม่พึงเสพโทมนทัสเี่อาัยเรือนอาศัยเรือนก็ได้แก่อาศัยกามงคลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ตรึกเราได้ตามเสวยแล้วจับไม่ตามเสวยนะย่อมไม่ตามเสวยซึ่งอิทธารมในถวานทั้ง6อย่างนี้โอ้โหอารมณ์ที่ดีอารมณ์รูปที่รูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่อหอมๆรสที่อร่อยๆสัมผัสที่นิ่มๆ แล้วก็ทำอารมณ์ที่น่าชื่นใจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมานึกถึงตอนนึกถึงรูปรูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ของตนเองที่ไม่ได้ป่วยพอนึกทีไรก็โรมันนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยนึกเมื่อไรก็โธมันนั้นเพราะแต่ก่อนเนะี่ยไม่ต้องมายุ่งยากเลยเนีเออรูปเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์ที่ตัวเองได้อะ่ะไม่ยุ่งยากแบบนี้แล้วไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาประครับปังหนมหรือยังกระไขไยในหินเลย ลำบากก็เกินจะกินอะไรโหต้องดูแล้วดูอีกเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปหวานเกินไปมันเกินไปเบสเซตอะไรเยอะน้ําดื่มให้อะไรต่างๆขนาดไหนสภาพร่างกายความร้อนขึ้นมากหรือั้่ความตรวจสอบเบสเ็จยากินไปพอประมาณไหมไปฉันก็ไปเบสร็จเนี่ยเอาไปเจาะดูที่ดูค่าของยามีประมาณเท่าไหร่เกินหรือเปล่าเอาเกินปรับลดลงเอือลดลงเออกระทบตัวนั้นอย่าเกินเนี่ยนะเห็นไหม แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมณ์แต่ก่อนนะั้นเดี๋ยนี้หมดไปอย่างพิจารณาก็ได้โท ม, มานะนี่โท ม, มานะอย่างนี้อาศัยอะไรอาศัยเรือนเคยเป็นไหมล่ะเคยคิดไหมล่ะดูหนังสือมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยว่ามนันไม่ชัดเลยใส่แล้วใส่เคยเป็นไหมล่ะเออนี่เป็นแต่ก่อนไม่อยากอยากใส่กับเขาเลยนะเนี่ยแต่ก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่ก็สะดวกใช่ไหมแต่โหเนี่ยดูดิมองไม่เห็น อมองไม่เห็นเลยแล้วทำไงนเนี่ยนี่รูปเสียงกนรถ ส, สัมผัส ต, ตอนนั้นหายไปไจักครูประาตอนนั้นหายไปไหนเนี่ยพอคิดไปแล้วเป็นไงทรมานนัดไหมเลยเนี่ยทมานัดแบบนี้นาสายเรือนควรเสพไหมไม่ควรเสพแปลว่าไม่ควรคิดใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไ ป, ไปปมีไหมพุทธเจษษ้าเคยสอนหรือไม่ให้คิดไหม อ๋อยอมมงคลควรคิดถ <your head. S 2> ึงอดีตที่ตนเองแข็งแรงไหมควรคิดหรือไม่ควรคิดถามว่าห้ามไม่ให้คิดได้ไ้มการปฏิบัตินี้ท่านห้ามคิดใช่ไหมห้ามคิดอดีตใช่ไแล้วจริงๆเดี๋ยข้อเท็จจริงเนี่ยห้ามได้ไมท่านไม่ได้ห้ามคิดแต่ขั้นห้ามเสพ ห้ามเสษโทมันัตที่อาศัยเรือนคิดไปเถอดแต่อย่ายให้เกิดโทมนันนัตอ่ะคิดได้ไห ม, ไมแล้วก็คิดไปเถิดอย่าให้เกิดโลภคิดไปเถิดอย่าแต oh ่อย่าให้เกิดโมหะอย่าให้โลภโทสะโมหะหมุนเข้ากระแสะจิตนั่ น, นคิดได้อดีตที่เป็นโทมันัแบบไม่อายเรือนก็ได้ยกมาเป็นโทมนัแบบย่างไงเดี๋ยวท่านจะอธิบา ย, อาบายตอนนี้เอาโทมนนัตอาศัายเรือนให้เข้าใจก่อนใช่ไหม เดี๋ยวานจะอธิบายโทมนานะที่แม่สายเรือนทีนี้ตรงเนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าพิจารณาไปแล้วบอกว่าโทมนานะที่สายเรือนก็คือฉะเคหาสีตานิโทมนานะสานี้เป็นอย่างไหนบุคคลพิจารณาได้เฉพาะไม่ได้เฉพาะซันนิษฐปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วรูปที่น่ารักรูปที่น่าใคร่รูปที่น่าพอใจรูปที่น่าชื่นใจซึ่งเกี่ยวกับโลกามิตรที่เพึงรู้แจ้งด้วยตาเอางี้สมัย ยอมมงกุลอายุ25ตอนนั้นตาเป็นแบบนี้ไหมหูล่ะสติปัญญาล่ะไงไหมแล้วตอนนี้หายไปไหนหายไปไหนมันดับไปหมดหรือยังคิดไปแล้วเป็นยังไงโทมนัสไหมพอพิจารณาแร้วว่าล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปวนไปแล้วเห็นอนนี้จังไหมเนี่ยโทสาเห็นอันนี้จังแล้วโทมนัสขึ้นโอ้โห โทมนัตเกิเลยโทมนัเนี่ยเขาเรียกเป็นโทมานัที่อาศัยเรือนเนี่ยควรเสพไหมควรคิดไหมก็มัน ค, ค, ค, ค, ค, คิดไปแล้วท่านให้คิดด้ว ย, วดดวยถ้าคิดด้วยตัณหาโมนัสติมันจะเป็นแบบนี้โทมนัตแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาคิดด้วยญาณ น, นะวิจัยเห็นโทมนัตอย่างมีความเสื่อมไปสิ้นไปมันจะคิดด้วย ปัญญาคิดอย่างเงี้ยคนเสพทีนี้ท่านก็บอกบอกว่านี่เข้าใจแล้วนอะพึ่งเสพธทมนทัเห็นปานนี้ก็คือเสพโทมนะสที่อาศัยเนคขมะว่าชื่อว่าอาศัยเนคขมะได้แก่โทมนัที่เกิดขึ้นแก่บผู้ที่เข้าไปตามความอยากได้แต่ไม่สามารถเพื่อจะเร่งเราให้ขวนขวายในธรรมเพื่อเได้ผลกาวาคือความบิดพ้นชั้นเยี่ยมแล้วก็ตั้งวิปัสนาโนเดินหน้าไกลลักมีความไม่เที่ยงแล้วก็บรรลุผู้โทมนะว่าเราไม่สามารถที่จะ เร่งเร้าวขวัญขวายเจริญวิปั ส, สนาตลอดปากแม้นี้ตลอดเดือนแม้นี้ตลอดปีแม่นี้แล้วบริโยอริยผลในรมย น, นารักษ์าปรารถนาไปต้นเราเนี้นะลักษณะนี้เป็นโทมนาเตัยในกขมก็คืออย่างนี้แื้วบางคนเนี่ยถ้าจริงๆบางแห่งนั้นยกตัวอย่างพระเถระที่ท่านสอนวันละ18ชนะท่านฉลาดมากใช่ไหมฉลาดาแล้วต่อมาก็ที่ว่ามีลูกศิษย์มามาทดลองเนะท่านอาจารย์ขอฝากตัวไปลูกศิษย์โอ้โหไม่ว่างเลยผมไม่ว่างะ้าหันนะ ท่านจำไม่ได้แต่จริงท่านสอนไปแล้วไปบรรลุจนแล้วกลับมาจะมาสอนอาจารย์เลยใครบรรลุกลับมาสอนเลยตอนนี้ก็กลับมาก็มาบอกมาขอเป็นลูกศิษย์ท่านก็บอกไม่ว่างท่านก็ถามทุกเวลาไม่ว่างสักเวลาเลยแม้เวลากลับจากบินระบาดก็ยังไม่ว่างเวลาจะล้างบาทก็ไม่ว่างแค่ข อ, อนิดเดียวไม่มีเวลาว่างเลยว่าไงคณะนั้นมาถามคณะนี้มาถามก็จอหมดท่านฉลาดมากไง สามารถบอกคนบรรลุได้เยอะแยะพระอรหันต์เยอะแยะหมดเลยท่านบอกอย่างนี้นะเรื่การที่ท่านมัวแต่บอกคนอื่นเนี้ยเนี่ยเป็นบริษชนพระอรหันต์ก็เลยบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ก็ว่าท่านไม่มีเวลาแม้กระทั่งขนาดว่าช่วงล้างบาทยังไม่มีเวลาจะสอนแล้วท่านมีเวลาหายใจไหใช่ไหมเออจะมีเวลาตายไหมวะเนี่ยจะมีเวลาตายเนี่ยท่านเลยเหาะไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหในใจใจเออไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ย ท่านคงมามาเป็นมามามาตักเตือนเราท่านก็เลยสอนเพราะท่านไม่บอกใครไงสอนเสร็จท่านเก็บบาทเก็บไรเดินเดินออกใครใครก็จำเกีไม่ได้ใช่ไหมจำท่านไม่ได้ท่านก็ไปอยู่ในถ้าท่านคิดว่ายังไม่ต้องสั่งใครก็ได้อย่างท่านนไปแป๊บเดียวกลับมาก็บรรลุแล้วพอม่กี่วันเอ้ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้เอ้ยเจดวันผ่านไปเอ้ยหนึ่งเดือนผ่านไปเงี้ยท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเข้ากันาในถ้ำนั่นก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ย เอ็ไม่ได้สัทีเลยเขาบอกว่าท่านเร่งขนาดหนักเลยนะเร่งก็สํารวมถึงขนาดแทบไม่มองต้นไม้เลยก็เห็นแต่ใบไม้ร่วงไปดอกไม้ร่วงกว่าจะล่วงนานไหมดอกไม้เป็นปีเลยนะผ่านใบร่วงล่ว ง, วงโอ้ผ่านไปท่านั้นผ่านไปกี่ปีเนะี่ยผ่านไปต้องไม่รู้เท่าไหร่จนในที่สุดจริงๆท่านก็จะท่านนี้คงจะเป็นอาภนะัพซะแล้วร้องไห้เลยร้องไห้เลยพอร้องไ ห, ห้ไปเสร็จเทวดาก็จดมาร้องไห้ ร้องไหก็โอ้ยยิ่งช้อคใจใหญ่เลยเนี่ยองค์นี้ที่ว่าเดินจนเดินจนเท้าแตากหมดเลยเนี่ยความเพียรที่เป็นฉันทิติบาทเปตเตอร์เหล่านี้จะเป็นแบบเนี้ยหรือวิริยะทิติบาทเนี่ยเดินเดินจนเท้านั่นหมดเลยเขาบอกเท้าแตากเลือดนั่นหมดเลยในที่จริงท่านได้บรรลุไงพอได้บรรลุเบสเสร็จเนี่ยพระก็าพากันมาใช่ไหมจะมาล้างเท้าให้ท่านจะมาล้างเท้าให้ท่านท่านก็บอกว่าเออ คือท่านไม่เคยล้างเท้าขึ้นที่นั่นเลยท่านไม่เคยล้างเท้าขึ้นขึ้นที่นอนเลยโอ้ยดาหมดเลยลกูกศิษย์ลูกหาก็พากันอยากจะไปล้างนั่งไปล้อมท่านอย่างนท่านก็โอ้ยอย่าเป็นท่านเลยเพราะท่านยังไม่เคยล้างเท้าเท้าท่านเปื้อนหมดหมดเลยตอนนั้นอ่ะเท้าสะกปรกมะัเรียบร้อยเสร็จเท้าสะกะพ้าต้องแวงหวกบกแม่เยยอมมาใช่ไหมยอมมาก็ต้องลีกตามก็ได้ล้างเท้าให้กับนี่ไหม เทวดาก็อยากอยู่อุปถัมภ์เ้าสกัด ช, ชอบหาบุญแบบนี้ท่านท่านหนึ่งได้ดบได้ดีเนะให้พวกเราไม่ค่อยได้ดีกันเลยเนี่ยก็หาล้างเท้าพระที่เป็นบุญชนไปก่อนก็แล้วมันบอขอแล้ว <c oughs> อยู่กับพ่อกับแม่ก็ล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่ไปหมดใช่ไหมเอาบุญไปก่อนเดี๋ยวพระก็ขอล้างเท้าท่านไปก็แล้วมัน <c oughs> ตรงนี้ก็คือเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ก็คือโธมานันก็เกิดขึ้นกับท่านนะ ต้องคิดดูที่ว่าขวนขวายในการที่จะเจริญวิปัสนาได้สิบห้าวันไม่ได้บรรลุเนี่ยนะเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยลักษณะอย่างนี้โธมานะเกิดโธมานะแต่การไม่ท้อแล้วก็เร่งขวนขวายอย่างนี้นะโทมานะเที่ยวใส่เนคขมมะก็คือว่าเมื่อบุคคลมารู้ความที่รูปทั้งหลายไม่เที่ยงแปรปวนดับไปคลายไปในเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามความเจริงว่ารูปทั้งหลาย เมื่อก่อนและบัดนี้เราได้เป็นต้นนี่แปลว่าท่านพิจารณาเย็นใจรักแล้วแล้วในที่สุดจริงๆก็สามารถบรรลุนะคือย่อมอยากได้เป็นปัจจัยโทมนาเถรปนปนั้นเรียกว่าโทมนาเตียสายการออกจากเรือนหนึ่ง น, นี้เป็นต้นพึงเสกโทมนาเตี่อาศัยเนคขมาเดินนาฏของวิปัสสนาเดินนาฏนหน่าการตามเและเกินโสติเดินนานแห่งปฐมชานเป็นต้นก็ในยากของสมมนานั่นแหละ โทมนัสใดมีวิตกมีวิจารณ์โทมนัส น, นั้นอย่างนั้นก็คืออศาศัยเรือนชื่อว่าโทมนัสที่มีวิตกวิจาร์น ะ, ะเออส่วนโทมนัสที่เกิดขึ้นเรื่องหน้าทึงเนกขมะเด้วยหน้าแห่งวิปัสนาเรื่องหน้าทึงการตาเราเหรือดหน้าแห่งปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นเป็นโทมนัสที่ยังมีวิตกวิจาร์อยู่โดยนิปริยายโดยตรงขึ้นชื่อว่าโทมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีนะโดยนิปริยาแต่โดยอ้อมมาได้โดยอ้อมเนีได้ถ้าโดยตรงจริงๆไม่ได้นะ เพตัวโทมนัเนี่ยต้องมีวิตกมีวิจารณอยู่แล้วใช่ไห ม, มแต่โดยอ้อมนั้นนะ่ะท่านหมายถึงกรณีที่บุคคลที่เคยได้ฌานเป็นต้นเหล่านี้แล้วออกจากฌานเป็นต้นเหล่านี้ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยต่อมาโทมนัทมาเกิดชานเสื่อมเลยก็แล้วแต่เนี้ยนะแต่ก่อนนีนโทมานันที่ตนเองลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่อันนี้นก็มาดูดูมุมตรงนั้นก็แล้วกันให้เข้าใจตรงนั้นโทมานัทสินทร์ซีเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวยังมีวิตกยังมีวิจารณด้วยแต่ด้วยอำนาจแห่งความ เข้าใจของภิกษุนั้นท่านเรียกว่าโทมนัสสินสียังมีวิตกมีวิจาร์และว่าที่ไม่มีไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ดังนี้ในแต่วความเข้าใจของภิกษุรูปนั้นที่ท่านได้ฌานได้อะไรต่างๆก็แล้วแต่มาเนี่ยนะในเรื่องโทมนัสนั้นนั้คือกรณีนี้ภิกษุถือเอาธรรมที่ยังมีวิตกวิจารและธรรมที่ไม่มีวิตกไ ม, ม่วิจารอันเป็นธรรมอันเป็นธรรมที่มีโทมนัสเป็นปัจจัยและธรรมคือมรรคและผลที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจเห็นการปฏิบัติของภิกษุอื่นที่มีโทมนัสเป็นปัจจัยนั่นเองว่าเป็นโทมนัส แล้วก็มาคิดว่าเมื่อไรเนาะเราจึงจะเริ่มตั้งวิปัสนาในโทมนะที่มีวิถกมีวิจารณ์ตรงนี้ก็คืออย่างนี้ถ้าโดยออบอีกไม่หนึ่งนมุมหนึ่งก็คือว่าบางทีนะเอาบุคคลอื่นยอมสมานแม้ไปรู้ว่ายอมสมานถ้าพูดยอมผู้หญิงรู้ยอมสมานนี่ได้ได้ได้โศไ ด, ได้ได้ทุติยาชาได้ปฐมวชานี่ไหมที่เราปรารถนาจะไปอยู่กับเขานี่คงยากซะแล้วเพราะเขาได้ปฐมวชานั่นแะโทมนานะเกิดขึ้นก็เล่งขวนขวายเลยอาศัยนั้นแหละ เล่งขวนขวาที่จะทําโทมนัเอตจะทำะํำนั่นแหละจะทําไอ้สมานัตโทมนัต ท, ที่ไม่มีวิโตวิจารนี้เกิดขึ้นเพร่อะจะหลีกออกจากไอ้ตัวโทมานัตนั่นแหละเพื่อจะเข้าถึงอะไรเวทน า, าที่มันไม่มีวิโกวิจารนั้นกรณีอย่างนี้ก็ได้หรือหรือในกรณีที่บางคนไปกําหนดคนได้มรรคได้ผลเลยโอ้โหนางวิสาขาบรรลุธรรมเนี่ยแต่เป็นพระโสตญาบันแลยเนาะอานาถินิกาเสถียรอยท่านวิสาขาใช่ไหม อุบาลีก็ทำไปดีเยอะแยะหมดเลยนะเขาได้เป็นคนมรรคสองมรรคเรายังไม่ได้สักมรรคเลยไม่ทรมานนัดเขาบังเลยไม่ทรมานนัดบังเลยทมานนัดก็เล่งเลยที่ไม่ยอมมานั่งทรมานนั่งนั่งเฉยๆเขาตอบมาใช่ไหมก็คิดนี่ก็คิดไปลักษณะเนี้ยนะเขาบอกว่าพึงเสพทมานนัดที่เกิดขึ้นเดี่ยวหน้าเน็กขมาเดี่ยวหน้าที่มีปัจนาเดี่ยวหน้าเนการตามเล็กเดี่ยวหน้าเปธรรมจารเป็เที่พึงเสพเนาะตรงนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนะให้เข้าใจนะ เมื่อไรเนอเราจะเริ่มตั้งวิปัสนาในโทมาะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ได้เสียทีเมื่อไรเนอะเราจึงจะได้พระสมชาบัตรในโทมาะที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณ์ได้เสียทีเมื่อไรเนาะเราจะได้พระสมชาบัติในโทมาะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ได้เสียทีข้อปฏิบัติตลอด3เดือน6เดือนหรือกว่เดือนเมื่อเราเมื่อข้อปฏิบัติ3เดือนในเดือนแรกเขาเร่งแล้วเร่งมากเลยนะกลุ่มนี้ในเดือนแรกเนยนะเดินเสียยามหนึ่ง ปถมยามเดินสองยามทําโอกาสถึงการหลับเดินในที่นั้นก็คือเดินยืนนั่งนะบางกลุ่มนี่นะแต่บางกลุ่มก็เดินอย่างเดียวนะเอาเดินอย่างเดียวนี่กว่านะเดินสี่ชั่วโมงในเดือนแรกนี่นะเดินเลยสี่ชั่วโมงไปถึงถึงสี่ทุ่มก็นอนนอนจนสว่างอ่ะไม่ใช่มันนอนตอนหลับนี่นะอย่างนี้นะพอในเดือนที่สองในเดือนกลางในเดือนกลางนะเดินเสียสองยาม ทำโอกาสเกี่ยวกับหลับหนึ่งอย่างปฐมยามเดินทุติยยามในมัดชิมยามก็เดินปัดฉิมมยามค่อยหลับก็จากที่สองไปค่อยหลับในเดือนสุดท้ายให้ร่างกายเป็นไปด้วยการเดินจังกรมและการนั่งเท่านั้นเดีไม่หลับแล้วรเร่งไหมหแบบนี้ทําแบบนี้บรรลุอรหันต์ได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้บรรลุก็ยังข้อปฏิบัติประเภท6เดือนให้วิเศษขึ้นไปเอาสิบเอาหเดือนมาตั้งเลย ทุกสองเดือนเนี่ยก็ปฏิบัติตามในที่กล่าวเมื่อไม่สามารถบรรลุเป็นพระสารก็ยึดหลักการปฏิบัติเก้าเดือนเอาไปตั้งในเดีอยวนี้ลองทำดูจริงที่ยอมนอกาหรับได้เอาสามเดือนเงี้ยสามเดือนเดือนแรกๆกันนี่แหละตั้งสี่ชั่วโมงแรกๆไว้ก่อนพอถึงกลางเดือนสองก็เริ่มไปเลยเดี๋นี้เริ่มเร่งไปเงี้ยเอาหกเดือนหกเดือนไม่ได้ก็เก้าเดือนทุกสามเดือนก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละก็จะปลารบความเพียรนะ เมื่อไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พิจารณาโอ๋เนอเราไม่เราไม่ได้ปริญญาแบบปริสุทธิปริญานะพร้อมกับพวกเพื่อนพมจรรย์เสร็จแล้วก็เกิดโทมานัตเกิโอนิกุมนี่นะก็ะหมายความบอกว่าพอพอออกพรรษาเนี่ยเขาจะทําปริสุทธิอย่างนใช่ไหมโอ้เขาบริสุทธิ์กันเน่เราไม่ได้ชําระกิเลสไปร่วมปรินากับเขาแบบเราเป็นทาสปุถุชนอลองไห้เลยโทมานัตเกิดขึ้นเลย ท่านเรียกอารมณ์ของปัสนาก็ดีบัณนามรรคก็ดีผลก็ดีโทมนัตที่ยังมีวิตกวิจารนะเพราะธรรมนัตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยอำนาจแห่งการเข้าใจของผู้อาศัยโทมนัตที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณาเราได้เราไม่ได้ปรนน่าชนิดสุดสุที่ปรนน่าด้วยกับพวกเพื่อนพรมอาจารย์อย่างนี้แล้วก็โทมนัตจะเกิดตรงนี้ก็บอกว่าการเจริญปัณนาในโทรมนัตเวทนาในเรื่องโรรมนัตนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเนาะตั้งวิปัสสนาในโทรมนัตที่ยังมีวิตกวิจาร แล้วก็คข้ควนะันในโถมนั้นเนื้อใสไรอ้อใสอาหารตเยวถูกเป็นต้นก็บรรู้ได้เนี่ยนะตามในที่กล่าวในหมดของภาษาเป็นต้นบางที่ได้กล่าวนั้นเลยลักษณะอย่างนี้ก็มาพิจารณาดูนะวโอ้โหท่านเอากินในด้านของอุเทศเนะนะเห็นชัดที่ท่านเดินเดินไปเดินมาแล้วก็จนเมื่อเหยียบตอทะลุมุงทีก็โดนแทงทะลุแล้วก็เอาย่าอุดเข้าไว้นี่ขนาดนั้นเอาย่าอุดเข้าไว้แต่ยังเราล้มนิ้วหัก พอเด้อมารับแม่ที่ไปครับ ห, หมอเป็นที่ไงบ้าไม่ไว้ไปดูในอิทธิบาทที่ท่านบอกว่าฉันท้านเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุตายซะดีกว่านี่น่ากลัวใจท่านจริงๆหรือถ้าวิญญอิที่บาทก็เนื้อและเลือดจงเหงือดแห้งหายไปเถอะให้เหงือดแห้งหายไปเถอะเนื้อกับเลือดเนี่ยไม่เสียดายแล้วจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกแล้วก็ตามนี้ถ้าไม่ได้บรรลุแล้วจะไม่หยุดความเพีย ก็จะทำยังไงเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะถ้ายังนอนไม่เต็มอิ่มจะไม่ลุกอันนี้ใช่ใช่อันนี้อันนี้ใช่ใชนนนนใชวิทยามอันนี้ไม่ต้อง้องความเพียนหรอก ทมานัทที่เกี่ยวกับในเรื่องของวิปัสนาที่ไม่มีอันก็กล่าวถึงเรื่องของปราณีตไม่ปราณีตนะมีวิตกมีวิจารณก็ไม่ปราณีตไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็ปราณีตทมานัตในวรสมาบาทที่ไม่มีวิตกวิจารณ์เป็นต้นเป็นปราณีตเป็นต้นนั้นก็ว่าไปตามลาดับเนาะ